ถามนะคะว่าเออมันจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนหัวชาชาเหมือนมันเป็นพลังที่เคยเคยรู้สึกว่าแบบเนี้ยก็คือพลังกับไอาการที่เข้าไปจิตเข้าไปจับยึดไอตัวนี้กับการที่คิดว่าอาการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี้ยมันเป็นตัวเราเราเป็นอาการนี้เราไม่สบายเรา เรามึนเรางงอะไรอย่างนี้คะ่ะเราจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้ละวางไอ้พวกนี้ได้มันจะต้องเข้าไปถึงไอ้ความไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีตรงนี้สําคัญมากเลยหลายคนยังเข้าไม่ถึงยังยังเข้าไม่ถึงยังไปติดแก่ความมีปฏิบัติไปติตตรงแค่ความมีมีอาการ มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีการปรุงแต่งมีการกระเพื่อมมีการไหวตัวมีความรู้สึกว่าเป็นเหาเป็นเราเป็นเราตัวเราแล้วก็ดีรักชัวช่งเกียดทุกรักสุขดีรักขี้อังเกียดทุกรักสุขการปฏิบัติของพวกเราส่วนใหญ่มันไปไปติดแค่ความมีคือมีตัวเราจะไปเอาอะไรมีตัวเราจะไปเอามีตัวเราแม้แต่มีตัวเราจะไปเอานิพพานมีตัวเราดิ้นรนไปแสวงหาความสุข มีตัวเราเกลียดทุกข์มีตัวเราพยายามที่จะมาแห่งเป็นงี้จะไปเอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาจะไปเอาอย่างนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันมันไปติดอยู่แค่ความมีมันไปไม่ถึงความไม่มีในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่สองสภาพคือความไม่มีกับความมีความไม่มีมันก็เหมือนกับเนี่ยเป็นอากาศที่อยู่ในห้องเนี้ยเป็นอากาศความว่างเปล่าที่อยู่ในห้องนี้เป็นความว่างเปล่าในห้องนี้แล้วก็ ความมีมันก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับกระดาษที่จู้เนี่ยเวลาเรามีความรู้สึกก็เป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือว่ามันมีความคิดความนึกมีความพยายามดิ้นรนค้นหาหรือความคิดปรุงแต่งอะไรก็ตามเนี่ยเราให้เห็นมันจริงๆด้วยใจของเราเห็นจริงๆด้วยใจของเราว่าเนี่ยไอ้ที่มีทั้งหมดในใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วมันก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีก่อนคิดมันก็ ไม่ได้คิดก่อนคิดมันก็ไม่มีความคิดก่อนมีความรู้สึกก่อนมีอารมณ์ก่อนมีกิริยาการใดๆมันก็ไม่มีกิริยาการนั้นๆแล้วมันก็มีกิริยาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีกิริยาการคือก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีความไม่มีนั่นแนะคือเป็นฐานใหญ่เป็นฐานเดิมเป็นจิตเดิมแท้เป็นใจดั้งเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแท้คือความไม่มีเราแท้แน่ มาจากความไม่มีหรืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้หรือจักรวาลเดิมหรือมหาสุญญตามันก็เหมือนอย่างเนี้ยเป็นความไม่มีก็เหมือนความว่างในห้องเนี้ยเวลามีความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราความดิ่หลนการค้นหาการพยายามเกียรตทุบรัสุขดีรากเจ้าช่างหรือเพลินคิดปรุงแต่งอะไรไปอ่ะถ้าเรามีรู้ได้ตาใจเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีมือแค่กระดาษที่ชูอย่างเงี้ย กระดาษที่จู่ที่ม้วนเป็นก้อนงวๆเนี่ยแล้วก็โยนขึ้นมาเนี่ยเดิมเนี่ยมันก็เหมือนกับมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็มีกระดาษที่จู้ลอยขึ้นมาในความว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปแล้วก็เหลือแต่ความว่างเปล่าแล้วมีก้อนกระดาษที่จู้เนี่ยลอยขึ้นมาในความว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปในความว่างเปล่าก่อนมีก็ไม่มีแล้วก็มีกระดาษที่จู้เนี่ยก่อนกระดาษที่จู้ลอยขึ้นมาในความว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าแล้วก็เป็นเป็นอย่างเนี้ย ตลอดเวลายี่ิบสี่ชั่วโมงเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะทุกกิริยาอาการเนี่ยมันก่อนมีมันก็ไม่มีเลยก่อนมีก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามีแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีก่อนมีก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีให้เห็นด้วยตาใจอ่ะเห็นด้วยตาใจเห็นด้วยตาไหนเห็นอย่างเนี้ยด้วยใจของเราจริงๆแล้วเราก็จะสิ้นหลงความมีแล้วเราก็จะกลับไปสู่ความไม่มีกับคืนสู่อวกาศแห่งจิตเดิมแท้คือตายแล้วก็หายตัวไป จิตวิญญาณก็หายตัวไปเลยไปเป็นความไม่มีดังที่จิตวิญญาณของพระโคติการที่ฆ่าตัวตายอ่ะแล้วขณะฆ่าตัวตายบรรลุอรหันต์บรรลุพระนิพพานพวกโยมมาทูตมาตามหาหาไม่เจอแล้วก็หายตัวไปเลยเนี่ยดังนั้นเราแท้ๆเนี่ยมันมาจากความไม่มีแล้วก็เป็นมีความคิดความนึกความรู้สึก เป็นความรู้สึกเป็นเราความรู้สึกเป็นตัวเราความรู้สึกปรงแต่งอะไรก็ตามมันปรงแต่งมาจากความไม่มีเนี่ยแล้วก็มีขึ้นมามันกระดับที่ชู่ทิโยนขึ้นมาหรือเหมือนเหมือนผ้าอะไรอ๋อชัดๆเห็นเนี่ยผ้าผ้าสีขาวเนี่ยจากความไม่มีเหมือนกับเป็นเป็นความว่างเปล่าในห้องเนี่ยแล้วก็มีผ้าที่ลอยขึ้นมาในความไม่มีแล้วก็ดับหายไปมีผ้าที่ลอยขึ้นมาจากความไม่มีมีขึ้นมาในความไม่มีแล้วก็ดับหายไปเนี่ย มีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปจากไม่มีเป็นเป็นมีขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาจะไม่ ม, เมีเป็นมีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปในความเป็นความไม่มีเราแท้จริงอ่ะแท้ๆเนี่ยคือฐานใหญ่จริ ง, ร ง, คคมมงๆคือความไม่มีดั้งเดิมจะแท้คือความไม่มีหรือเปรียบเทียบเหมือนกันกบว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมับบยพุทธกาลอ่ะตอนแรกท่านยังไม่บรู้ลุพระอรหันต์ท่านก็ไปรอถามพระพุทธเจ้าที่ใต้ถุนคันทักุดีพระพุทธเจ้า บัเอิญฝนตกลงมาท่านก็เลยยืนรอว่าเดี๋ยวเด๋ยวฝนหยุดตกแล้วจะขึ้นไปกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าระหว่างที่ท่านรออยู่นั่นแหละรออยู่ในคัออนทักกดี น, นั่นะน้ำฝนก็ยดลงจากใจขาก็ไหลไปกระทบกับพื้นน้ำข้างล่างแล้วก็เกิดเป็นต่อมน้ำขึ้นมาเกิดเป็นตอมน้าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วต่อมน้ำก็แตกกลับไปเป็นน้ำนังเดิม แล้วก็น้ลเนือกใจขาก็ไหลไหลไหลไหลหลมาไปกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างแล้วก็เกิดตอมน้ําขึ้นมาแล้วก็ดับกลับไปสู่พื้นน้ำนั่นเดิมจากไม nice. <the> ่มีตอมน้ําก็มีตอมน้ําขึ้นมาแล้วก็ดับกลับไปสู่พื้นน้ําจากไม่มีต่อมน้ําแล้วก็มีต่อมน้ําขึ้นมาแล้วดับกลับไปสู่พื้นน้ําท่านเอาอาการที่มันเกิดขึ้นมาจากน้ําเนี่ยจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาแล้วกลับไปสู่ความไม่มีต่อมน้ํำดังเดิมมาเทียบกับอาการของใจว่าอาการของใจเนี่ย มันก็มาจากความไม่มีมันก็เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าแล้วก็มีขึ้นมามีอาการขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสู่ความว่างเปล่าแม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราตัวเราดิ้นหล่นก้นหาพยายามปรุงแต่งหาหนทางคิดวิเคราะห์วิจารณวิจัยสารพัดอาการทุกชนิดที่มันปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีทั้งนั้นเลยแล้วก็กลับดับกลับไปสู่ความไม่มีจับดีขึ้นมาแล้วก็จับไม่มีก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีถ้าเอา ต่อมน้ำเนี่ยที่มันแตกขึ้นมาจากความไม่มีต่อมน้ําแล้วก็ต่อมน้ําก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีต่อมน้ําต่อมน้ําเกิดขึ้นมาจากความไม่มีต่อมน้ําแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีต่อมน้ํากลับไปเป็นน้ําดังเดิมโอ้ท่านก็เลยมาเทียบกับอาการของใจของท่านว่าอ๋ออาการหงใจทุกนี้ทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันมาจากความไม่มีแต่แรงแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับหายกลับไปสู่ความไม่มีความไม่มีแท้แท้นเนี่ย อ น, นั้นเน่ยคือความยั่งยืนคือไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายแต่สิ่งใดที่เกิดดับขึ้นมาจากความไม่มีนั้นแหะต้องเกิดต้องดับต้องแตกต้องทําลายเราแท้ๆนั้นเนี่ยไม่อาจาแตกดับทําลายไม่อาจาตายได้เพราะเป็นความไม่มีสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นความปรุงแตง่งเรียกว่าสัางขารสรังขารทั้งมวลต้องเกิดขึ้นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะสิ้นเหตุสิ้นปัจจัย เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนก็สิ้เหตุที่ปัจจัยความไม่มีนั่นเองเป็นก็เรียกอะไรเป็นฐานใหญ่เป็นฐานใหญ่คือไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่แตกตาทหลายแต่ความมีทั้งหมดเกิดมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีแม้แต่ตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เดิมก็ไม่มีตัวเราไม่รูปร่างแบบนี้เดิมในธรรมชาติที่ว่างเปล่าเนี้ไม่มีตัวเราที่มีรูปร่างแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีตัวเราเนี่ย เกิดขึ้นมามีตัวเราเกิดขึ้นมาในความว่างเปล่าของธรรมชาตินี้แล้วตัวเราก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายผุพังสลายไปกลับไปสู่บวามว่างล่าวตามธรรมชาติตามเดิมทั้งร่างกายจิตใจเกิดขึ้นมาจากความไม่มีวันแต่แรกแล้วเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยก็แตกดับกลับไปสู่ความไม่มีดังเดิมความไม่มีนั่นแหละไม่มีอะไรนั่นแหละคือธรรมชาติแท้ๆของเราแท้ๆแต่ความมีเนั่นแะเป็นของปลอมเป็นมายาเป็นของหลอกลวงให้รุ่มหลง อันถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ย really, วิธีฝึกก็คือเราไปเห็นด้วยตาใจของเราจริงๆสังเกตมันอ ย, ยู่ยึดเนี้ยด้วยตาใจของเราจริงๆแล้วก็อย่าไปหลงกับความมีแล้วก็ไม่ยึดความไม่มีอย่าไปยึดความไม่มีด้วยแล้วอย่าไปหลงกับความมีปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองและดับไปเองจากความไม่มีทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากความไม่มีและดับกลับคืนไปสู่ความไม่มี ถ้าอย่างนี้ใจมันก็เป็นความไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่ชื่อว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าพุทธะมีแต่ชื่อนะแต่มันคือความไม่มีไม่มีอะไรเลยเราจะแท้ความเป็นพุทธะเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกเราทุกคนแต่เราไม่เห็นมันเองที่ท่านว่ า, ม, าวมีอยู่ในพุทธเจ้ามีอยู่ในพระอรหันต์มีในพุทธชนมีในสัพสัตถ์ทั้งหลาย มันมีอยู่แล้วพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกคนความไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เรียกว่าพุทธพุทธมีแต่ธธธธชื่อเรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือเรียกว่ามหาสุญญตาหรือเรียกว่าอาวการเองจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าจักรวาลเดิมรเราแตแท้มาจากความไม่มีเราแตแท้เนี่ยมาจากความไม่มีนะเราก็เห็นอย่างเงี้ย แต่ความไม่มีเนี่ยไม่อาจยึดอะไรได้ความไม่มีเนี่ยไม่อาจยึดอะไรได้เลยเพราะมันเป็นความไม่มีความมีนั่นแหละความมีตัวตนมีกริยาอาการมันต้องไปยึดอะไรได้แม้แต่มันมีความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเรามันก็เป็นเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีความคิดความรู้สึกอย่างนั้นแล้วปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็ดับกลับไปสู่ความไม่มีดังเดิมดังนั้นความปรุงแต่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นความหลงเป็นมายาเป็นความหลอกลวงที่เราหลงไปตามมัน ถ้าท่านเข้าถึงแบบนี้ยปล่อยวางหมดแบบเนี้ยมันก็จะเข้าถึงใจที่วางเปลา่าจากความปรุงแต่งใดๆว่างเปล่าจากตัวตนถ้าอย่างเนี้ยพลังอะไรที่ว่าท่านว่าพลังมัน า, นานแน่นมหาศาลที่อัดไอ้ท่านเป็นโลกกระแตเวียนเวียนทิศาเป็นโลกโกงกงน้ําในหูไม่เท่ากันไอ้พวกนี้ยมันก็จะไม่หายไปเลยเพราะว่าบ้นไม่รู้จะไปอัดใครเพราะว่าความตัวตนไม่มีแล้วมันก็ไม่รลยจะไปอัดใครกิเลสก็ไม่รู้จะไปให้ผลกับใครได้แล้วก็บาปกรรมทั้งหลายเีย กรรมเวรทั้งหลายก็ไม่รู้จะให้ผลกับใครได้มันกเ็เลยสิ้นกรรมเวรหมดเลยหายตัวไปเลยภพชาติทั้งหลายก็ไม่อาจจะดูดเข้าไปเกิดในโลกทั้งสามได้อีกก็พ้นหลุดพ้นไปเลยหายสุดทา้ายตัวไปจากโลกทั้งสามไม่พวกยมทูตมาตามหาจิตวิญญาณก็หาไม่เจอเพราะว่ามันมันหายตัวไปแล้วเหมือนด่งพระอรหันต์ทุกท่านที่มันหายตัวไปเลยแล้วก็ไม่มีหายตัวไม่เจอหาจิตวิญญาณไม่เจอ เขาจะเข้าใจมันได้ไหมจะปฏิบัติมันได้ไหมมั่นใจไหมว่าเข้าใจจะปฏิบัติมันได้งเข้าใจที่เข้าใจที่หลวงตาแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันก็จะคาดเคลื่อนอย่างที่หลวงตาบอกว่าท่นเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปยึดซึ่งบางทีมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราเห็นแต่มันกลายเป็นว่าเอาตัวเราอะไป ไปรู้ตรงนี้ค่ะจะทำยังไงให้การปฏิบัติมันไม่มันไม่มันไม่กลับกลับเป็นด้านคือเราคิดว่าเรารู้แต่มันกลายเป็นว่าเราเอาตัวเราไปรู้จะทำยังไงที่จะให้มันเป็นแค่รู้โดยรู้ว่าตัวเรากำลังเอาตัวเราไปรู้อย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วว่าอย่างอีกอย่างหนึ่งเวลาที่มันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรที่ดวงตาบอกว่ามันมันเกิดขึ้นมาท่ามกลางความไม่มีคือมันยังไม่มีอะไรอยู่แล้วอยู่มันก็มีขึ้นมาแล้วมันก็ อาจจะมีต่อเนื่องหรือมีแล้วก็ดับไปแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับในตอนที่มันไม่มีอะไรอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันเป็นรู้จริงๆหรือว่าเราอไปจับความว่างอยู่อ่ะค่ะเพราะว่ามันมันก็แบบใกล้เคียงกันมากไม่แน่ใจว่ามันกําลังตอนที่รู้ว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันยึดในความไม่มีอะไรตรงนั้นไว้หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันก็มีอาการอะไรหรือความคิดอะไรมีกิริยาอะไรเกิดขึ้นในความที่มันไม่มีอะไร แล้วตอนที่พอพอมันรู้มันก็จะมักจะเข้าไปยึดเพราะมันเป็นอาสว่านุษยสที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาให้รับรู้ก็จะเข้าไปยึดไปสนใจไปให้ค่าไปยึดถือตอนเนี้แล้วพอพอมันมีเสื่อแตัวว่าเราเข้าไปยึดมันก็จะเข้าไปเข้าไปเข้าไปจัดการกับมันอีกเอ้ยยึดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้ยที่มันในกระบวนการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะยังปฏิบัติไม่ถูกมันขึ้น ขึ้นชกมวยทีไรก็จะโดนโด น, น็อกหรือลังเลว่าจะยิงหมัดไหนหรือจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอความเมตตาหลวงตาช่วยชีย้แนะอธิบายให้เข้าใจตรงนี้ค่ะอพระคุณคือมันมันต่างกันอย่างนี้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเวลามันว่างก็รู้สึกว่าเราว่าง หรือว่าเวลาสบายใจเราไม่สบายใจก็รู้สึกความความสบายใจกวาไม่สบายใจมันเหมือนเหมือนเหมือนอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เราว่างก็เหมือนเหมือนตัวท่านนันอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวท่านนันเนี่ยว่างตัวท่านนันสบายใจตัวท่านนันไม่สบายใจคือมันเอาตัวเราไปตัวตั้งไว้แล้วก็มีความว่างความสบายใจความไม่สบายใจเอาตอนนี้เราไปหลงอีกแล้วเราหลงเอ๊ะทำไมเราก็มีตัวมาจัดการตัวเราอีกจัดการตัวเราที่หลงคือ มันเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางเอาตัวที่มีเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางในการปฏิบัติตัวนี้ฟังให้ดีนะมันเอาตัวเราเป็นตัวตนที่มีเนี่ยมีความรู้สึกมีควา ม, มา <Yeah. S 2> นึกคิดมีอารมณ์ปรุงแต่งได้ความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยเอาตัวที่มีเนี่ยความรู้สึกที่มีเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยเอาตัวเราไปเป็นตัวศูนย์กลางแล้วเอาตัวเราเนี่ยปพยายามมองหาความไม่มีมองหาความว่างตอนนี้มันตรงกันข้ามปฏิบัติตรงกันข้าม ความว่างเนี่ยมันมารู้ความไม่มีความมี limited. เพราะความว่างมันเป็นธาตุว่างเปล่าเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเป็นวิญ ญ, ญาณธาตุที่เป็นความว่างเปล่ามันเป็นธาตุรู้ในตัวของมันในความว่างเนี่ยแต่ท่านเนี่ยรู้กับเอาไว้เอาตัวเราที่เป็นตัวปรุงแต่งขันหน้าเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วก็พยายามไปหาความว่างพอเจอความว่างก็เอาขนาันหน้าไอ้ตัวผู้เพราะว่าท่านเอาตัวขันหน้าเป็นตัวผู้รู้นี่ก็อเอาตัวขันหน้าตัวผู้รู้คือตัวเราเนี่ยแหละ มามาจับความว่างมารู้ความว่างแต่ถ้าท่านกลับด้านกันเนี่ยเราเป็นความว่างเพราฉะนั้นเนี่ยไอ้ความมีเนี่ยมันจะต้องถูกปล่อยวางดงนั้นไอ้ตัวเราที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่จะพยายามไปจับความว่างแท้จริงไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องถูกปล่อยวางแต่ไม่ใช่เอาตัวเราที่เป็นขันธ์หน้าเอาตัวปฏิบัติโดยตัวเราที่เป็นขันธ์หน้าเป็นศูนย์กลางแล้วไปจับความว่างแล้วก็ ไปติไปติดเสรจความไม่ว่างเราจะปฏิบัติแบบนี้มันจะไม่ถามคนทุกได้เพราะว่าเราเอาตัวขาหน้าตัวเราเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางปฏิบัติเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางแล้วเราก็ไปไปจับความว่างเพราะไม่ว่างก็ไปจับความการความไม่ว่างแต่ที่จริงอ่ะคือความว่างมันมีความรู้อยู่ในตัวของมันคือเป็นธาตุรู้แต่มันมีคุณบัติคือเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับอวกาศหรือจักรวาลเป็นความว่างเช่นเดียวกับธรรมชาติแล้วมันเนี่ย มันไม่มีใครมาจัดการกับไอ้ไอตัวขนันหน้าพียแต่ว่าไม่มีใครมายึดขนันหน้านี้นั้นไอ้ตัวเราเนี่ยที่มีความคิดความรู้สึกพยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นความว่างอะไรก็ตามตัวเนี้ยมันเป็นตัวขนันหน้ตัวปรุงแต่งที่ถูกปล่อยว่างดังนั้นเวลาพอมั น, น ม, มันเป็นความว่างเส็แล้วมันจะมีไอ้ตัวขันหน้าคือตัวเราเนี่ยมันแสดงกิริยาการตลอดแต่ไม่มีใครมายึดในขันหน้านี้และเมื่อไปเป็นความว่างตัวเองแล้วมันก็ไม่ต้องมีใครมายึดความว่างเพราะมันไปเป็นความว่างตัเองแล้ว ดังนั้นไอ้ตัวที่จะไปยึดความว่างได้มันต้องเอาขันห้าเนี่ยไปยึดเอาตัวปรุงแต่งเนี่ยไปยึดได้แต่ถ้ามันเป็นความว่างไปแล้วความว่างมันยึดตัวมันเองไม่ได้และมันก็ไม่มายึดขันความว่างมันก็มายึดขันห้าไม่ได้มันมิแต่ขันห้าเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแล้วก็ไม่มีใครมายึดถือขันห้าดวงตาเข้าใจแต่พูดไม่รู้ท่านจะเข้าใจหรือเปล่าคือท่านเนี่ยกลับด้านกันท่านปฏิบัติเนี่ยเอาตัวเราไปตัวตั้งและเอาตัวเราไป เอาตัวเราเนี่ยคือเป็นขันห้าเป็นตัวตั้งแล้วตัวเราเนี่ยไปควานหาตรวจสอบทําความรู้ความเห็นเขา้าใจละปล่อยวางตลอดเวลาเลยคือเอาตัวเราในขันห้าเนี่ ย, นาาเยเป็นศูนย์กลางเลยแต่ลูกตาเนี่ยให้ปล่อยวางตัวนี้ให้ปล่อยวางตัวศูนย์กลางตัวเรานี่เป็นศูนย์กลางปล่อยวางทิ้งไปมันกลับด้านการปฏิบัติกลับด้านกั น, ก น, กนเข้าใจไหมเนี่ยเข้าเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็กลับเป็นว่าทั้งหมดไอ้ที่ทําอาการอะไรทั้งหลายแหละก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้โดย ตัวความว่างก็ไม่ได้ต้องทำอะไรแค่รู้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดขันห้าก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนี่อะไรก็มันก็ถูกรู้ทั้งนั้นถูกรู้โดยอะไรก็ดูไอตัวที่มันไม่มีตัวล่ะถ้ามันมีตัวไปรู้เมื่อไหร่นี่ก็ถูกรู้เนี่ยอยาให้พูดอย่างนี้นะเอออยาให้พูดอย่างนี้นะ แล้วจะมีตัวเรากลัวว่าตัวเราจะยิดความว่างกลัวว่าตัวเราจะเป็นอย่างงี้กลัวเราจะหลงกลัวเราจะอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมล่ะเพราะว่าไอความกลัวว่าเราจะหลงกลัวเราจะเป็นยิดความว่างกลัวเราจะเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันเป็นขันห์นะมันมันถ้าเราเลิกเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางตัวขันห้าตัวปรุงแต่งได้เป็นตัวศูนย์กลางกันแล้วเนี่ยมันก็หมดปัญหาเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นไอตัวขันห้าไอตัวเราที่เราเคยเอามันเป็นศูนย์กลางในความรู้ความเห็นความเข้าใจรู้ละป่อยวางเราแต่กลับมาตรงกันข้ามตัวมันกลับถูกปล่อยวางตลอดเวลา ไปเตียดทั้งหมดตลอดเวลาเลยอย่างงี้มันก็หมดปัญหาเลยไม่ต้องไปถามหาว่าอย่างนี้อย่างนี้หนูหลงหรือเปล่าเนี่ยหรือหรือหนูรู้อย่างนี้หนูหนูไปยึดอะไรหรือเปล่าหรือหนูไม่ยึดอะก็ตัวหนูเนี่ยโดนปล่อยวางหมดแล้วจะมีมันจะไม่ตัวถามคาถามไหมว่าตัวหนูหลงหรือตัวหนูยึดตัวหนูว่างหรือไม่ว่างจริงมันจะมีไหมไม่มีค่ะอะไรมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่า ง, งานั้นก็แค่รู้มันก็แค่สาธุสาธุ ดิ้งเนี้ยโลกที่นั้นเป็นกระแตเวียนโลกกระแตเวียนโลกโรกโลกหุนโรคเวียนหัวขึ้นายเลยหายเลยไม่มีเลยรับลองเลยลองดูดิว่าจริงหรือไม่จริงกลับขอบคุณตามมากค่ะตอนนี้ก็โล่งไปแล้วค่ะอ่าไหนเห็นไหมไม่ทันจะไปกลับไปเลยก็หายตั้งแต่ตอนนี้เลยเออตบมือก็ เป็นๆหายๆเลยครับอ่าเป็นๆหายๆเพราะเราเดี๋ยว <c oughs> เรากลับมากลับด้านย่งก่าอีกแล้วเออเรากลับด้านปฏิบัติกลับด้านผิดตัวอีกแล้วเร า, เากลับมาเอาไอ้ตัวขันหน้ามาตัวศูนย์กลางของการปฏิบัติอีกแล้วอ้ามันผิดตัวกลับด้านอีกแล้วะมันก็เลยตอนนี้เป็นโรคกระ แ, แตเวียนอีกแล้วโลกหมุนโลคน้าในหูไม่เท่ากันอีกแล้วต้องไปหาหมออีกเพราะอะไรถ้ารถเราเอาขันหน้ามาเป็นตัวเราเอาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติพลังทั้งหมดมันก็อัดที่ตัวเรานี่ไง กิเลสและความทุกข์มันก็มาอัดที่เราด้วยไม่ใช่พลังอัดอย่างเดียวนะกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายมันก็ลุมอัดที่ตัวเราเพราะว่าเราเอาตัวขัดหน้าที่มันถูกอัดได้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็เลยโดนอัดได้ทุกอย่างทั้งกิเลสความทุกข์แล้วพลังทั้งหมดแล้วก็มาอัดที่ตัวเราได้ทําให้แน่นอืดอัดจุกเป็นโลกกระแตเวียนน้ําในหูไม่เท่ากันดงตาเรียกว่าโรคกงกงเนี่ยมันคนเมาเหล้าโลกกระแตเวียนถ้าอย่างนั้นในตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะถ้ามึ่นเมื่อไหร่ที่แสดงว่าหลงไว้ยึด ขันห้าเป็นตัวเราแล้วเออดีแสดงว่ามันปฏิบัติปิดแล้วกลับด้านแล้วทํามือหัวเมื่อไหรเวียนหัวกระแตวเวียนเมื่อไหรเนี่ยแสดงว่าเรากลับด้านแล้วเอาตัวขันห้าเอาตัวเราเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติไม่ได้ปล่อยวางตัวเราก็น่าจะต้องดีใจนะคะมีตัวช่วยนะก็ดีอนี่ยนานมาเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเข้าใจไปด้วยเลยเนี่ยเพราะไอ้ตรงนี้เป็นตัวที่ละเอียดมากนะเราจะพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์ตัวนี้เนี่ยคือเมื่อ มันกลายไปเป็นตรงกันข้ามกับไเปตัวขนันหน้าเป็นใจที่ว่างเปล่าซะแล้วมันสิ้ทนทุกพนทุกตัวตนไม่มีเลยอะไรมันมีกริยาการได้สแสดงกริยาการได้สแสดงพฤติแห่งจิตได้หรือมีความรู้สึกเป็นตัวเราความรู้สึกยังไงก็ตามพยายามแม้แต่มีความรู้สึกมันจะไปดูเป็นผู้ดูรู้ละปล่อยวางแต่มันกลับตรงกันข้ามมันกลับถูกปล่อยวางหมดแต่เราปฏิบัติที่ผ่านมาเราเอาไว้ตัวเราเนี่ยตัวขนันหน้าตัวศูนย์กลางที่ตัวปรุงแต่งได้ไปจัดการทุกอย่างไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางแต่ไม่ใช่มันปฏิบัติกับด้าน ไอตัวที่พยายามไปดูไปรู้ไปเห็นไปลาดไปปล่อยไปวางเขาเน่ะตัวมันเนี่ยาต้องถูกวางหลายคนมาถามว่าหลวงตาหรืออาจารย์ดูซิว่า อ, อตัวนะดูซิว่ายังมีอะไรที่ที่ผมยังไม่ได้ปล่อยว่าง ยังมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ปล่อยพังเออตัวคุณเน่ยยังไม่ได้ปล่อยตัวคุณเนี่ยเออยังไม่ได้ปล่อยตัวผู้ปล่อยวางอ่ะยังไม่ได้ปล่อยวางตัวผู้ปล่อยวางแต่เอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยวางตัวเรามันตรงกันข้ามเนะยมันจะหลับตรงกันข้ามมันเหมือนกับเนี่ยแม้แต่พิจารณาความตายนะเราให้เขาไปพิจารณาความตายมีอยู่มีอยู่สองสามคนให้ไปพิจารณาความตายนะเขาไปพิจารณาคนอื่นตายหมดเลยแล้วก็มาร้องไห้ว่า คนอื่นตายหมดแล้วเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ร้องโหมร้องไห้สติแตกเราต้องไปแก้คือไปพิจารค์คนอื่นตายหมดแต่ไม่กล้าพิจารคตัวเองตายเน่าเปื่อยผุพังมันน่าเกลียดแต่คนอื่นตายได้แต่ตัวเองพิจารคตัวเองตายเน่าเปื่อยูุพังน่าเกลียดแล้วก็สุดท้ายก็วิปราสดร้องโหมร้องไห้คนอื่นตายหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงในโลกนี้เราต้องไปแก้แก้วิปรัสดแบบเดียวกันพอมาเป็นจิตก็เหมือนไงเนี่ยผมปล่อยวางมัแล้วไงเนี่ยปล่อวางมัแล้วปล่อยวางทุกอย่างเลย เนี่ยมีอะไรที่ผมยังไม่ปล่อยวางนี่ในตัวผมนี่นีัยไม่ปล่อยวางตัวผมนี่ยังไม่ปล่อยวางตัวเราเอะแต่จริงอะเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางในการปฏิบัติเอาไปปล่อยวางอย่างอื่นหมดเลยแต่ไม่ปล่อยวางตัวเราแค่นั้นเองมันกลับด้านกันคือมันแทนที่จะเราเนี่ยไปปล่อยวางข้างหน้าเราแต่ความจริงมันต้องกลับมาปล่อยวางตัวเราย้อนกลับมาปล่อยวางตัวเราอย่างเดียวเออเข้าใจไหมเนี่ยพูดไนี่ยนะสรุปมันจะชัดถึงใจนี่ สรุปก็คือเข้าใจไะค่ะแต่ตอนปฏิบัติไม่ทราบนะรบเพราะว่ามันก็จะคอยแบบคืออย่างเมื่อกี้พอพอหลวงตาสอนเสร็จค่ะมันก็เหมือนมันมีอาการขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันไปดูมันก็ไปมีปัญหากับไอตัวนี้กบอกอถูกรู้ปล่อยมันก็ อ, อย่างเงี้ยค่ะตัว่คือถ้ามัน ถ้ามันมีสติอยู่มันก็คงจะรู้ได้ว่าไอสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดมันคือขันท่าบทเน่ยไม่ต้องสนใจมันแต่ถ้ามันหลงไปแล้วหลงไปเป็นขันท่าแล้วทําไงก็มีสติครพูดเองเมื่อกี้เนี่ยอ่าเมื่อกี้พูดเองว่าถ้ามีสตินั่มันคงปล่อยวางขันท่าอย่างเดียวเลยเห็นทุกอย่างเป็นขันหน้าหมดอ่าแต่ถ้ามันหลงไปแล้วจะทํายังไงเอาก็พูดเองครับกสติไงถ้ามีสติมันคงไม่หลงไม่จัทิ้งสตินี่เรียกขาดสติ แล้วจะทํำยังไงถึงจะไม่ทิ้งสติหรือทํำยังไงถึงจะมีสติอคะก็อยอย่าเอาตัวเราไป็ศูนย์กลางปวางตัวเราตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะมีสติปัญญาตลอดเวลาเพราะว่า <Opera. S 1> ถ้ า, ถ, าถ้าไปเอาตัวเราปล่อวางก็แสดงว่าหลงไปแล้ ว, วแสดงว่าไม่มีสติอแต่ก็าปล่อยวางตัวเราผู้ปล่อยวางปล่อยวางแล้วพอรู้ว่าเฮ้เรากําลังไปปล่อยวางก็มีสติรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เท่ากับ<ไ>มันก็<ไ>เป็นรู้แล้วแล้วเดี๋ยวถ้ามันหลงก็เรื่องก็เอาใหม่ก็ปล่อยวางตัวตัวเราผู้ปล่อยวาง แทนที่เอาตัวเราขนาันหน้าไปปล่อยวางอย่างอื่นนะก็ปล่อยวางตัวเรานนี้เป็นขันหน้าเนี่ยกับปล่อยปล่อยวางตัวเราตราลอดด้าเลยมันกลับด้านกันนะเข้าใจไหมอืมอืมก็ทางเดินของผู้ปฏิบัติหรือเปล่าเข า, เ พ, า, เ, พาเพราะว่าเราได้หลวงตาสอนมาสอนนัานนี่มาสิบกว่าปีก็บอกเธอปฏิบัติกับด้านทุกอย่างทุกอย่างกลับด้านหมดเลยอย่างเงี้ยเออก็ไม่ใช่เฉพานันนอย่างเดียวแหละคนในโลกนี่ส่วนใหญ่แนมก็คือว่า ไม่ว่าเขาจะยึดอะไรในโลกนี้เขาเอาตัวเองไปศ 1970, ูนย์กลางจึงเอาไปยึดอย่างอื่นหมดนะความรักความชังรักก็คือเอาตัวเองกับไปศูนย์กลางไปรักเขาชังก็เพราะไม่ถูกใจเราเอาตัวเราไป็ศูนย์กลางไม่ถูกใจเราจึงไปชังไปชังเขาไปชังสิงนั้นแต่ถ้ารักเขาก็เอาตัวเราไปศ็ศูนย์กลางถูกใจเราเราก็ไ ป, ไ ป, ไปรักเขาดังนกิเลสทั้งหมดน่ะก็คือเอาตัวเราไปศ็ศูนย์กลางคือถ้าถูกใจอยากได้เอาดูดเข้ามาหาตัวเรา แต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ถูกใจเราอีกเอาตัวเราไป็ศูนย์กลางคือขนันหน้าเนี่ยเอาตัวขนันธ์หน้าไปรุงแต่งได้เป็นศูนย์กลางไม่ถูกใจก็ไปดิ้นรนผักใส่อยากจะจาําลอยากจะจัดการก็คือทุกไล่คนส่วนให ญ, ญ่ในโลกนี้ก็คือเอาตัวเราไปศูนย์กลางพอมาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติแบบเอาตัวเราไปศูนย์กลางอีกคืออยากได้พระนิพพานก็เอาตัวเราที่เป็นขนันธ์หน้าเปตัวตั้งไว้แล้วก็อยากได้นิพพานดูดนิพพานมาหาตัวเราอยากได้ความสุขก็เอาตัวเราตั้งไว้ ตัวเราอยากได้ความสุขแล้วก็ดูด making, ความสุขก็มาหาตัวเราการปฏิบัติทั้งโลกทำทำแบบเดียวกันทําแบบมีกิเลสคือเอาตัวเราทีเป็นหนาเป็นศูนย์กลางเป็นตัวตั้งไว้พอทั้งโลกไปเอาทั้งโลกก็ตัวเราเป็นศูนย์กลางกูจะเอากูจะเอากูจะเอากูจะเอาจะมันอยากได้อยากอยากเป็นเพราอมาปฏิบัติทำอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนิพพานอยากบรรลุโสดาสกิตาคานาคาลาหันกูจะเอากูจะเอากูจะเอาจะเอาตลอดจะเอาโสดาสกิตาคานาคาเอาลาหันเอาตัวเราเป็นตัวศูนย์กลาง แล้วก็ทางโลกก็เป็นแบบนี้เพราะว่าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมแบบเดียวกับทางโลกคือกูจะเอามันก็เลยไม่สิ้นกิเลสมันก็เป็นความหลงอ่งอันมันต้องปล่อยวางไอ้ตัวเราที่จะเอาคือมันในการปฏิบัติะคะ่ะตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้ก็คืออยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเอาความตั้งใจในการปฏิบัติทางโลกทุกอย่างที่ทุ่มเททั้งหมด มาปฏิบัติธรรมเราก็มีคนบอกว่าเลิกปฏิบัติเลิกปฏิบัติแั้วก็อ่ะเลิกแล้วมันจะยังไงมันก็ไม่เลิกมันก็ทุ่มเทสุดแล้วตอนหลังยิ่งยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งเครียดทําอะไรมันก็ยิ่งเครียดมันใช้การกระทําทุกอย่างทําอะไรก็ทํามีคนบอกให้ไปผไ่อนคลายเนี่ยยังไปทําให้ผ่อนคลายพทาไม่ผ่อนคลายคนก็ถามบอกว่าทําอะไรทําไมหน้าดําบอกกําลังผ่อนพยายามผ่อนคลายเขาบอกผมว่าอการผ่อนคลายทําไมต้องพยายามเย่างนี้ค่ะก็คือทุกอย่าง เอาเรื่องของการกระทาที่มีความตั้งใจที่จะทำไปทำทั้งหมดทางทางด้านโลกก็มาทำในการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันก็คือใช้การกระทําใช้สุดก็ค่อยๆ ค, ค, ค่อยเรียนรู้ไปจากหลวงตาหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านเมตตาสอนก็คือให้ทางโลกอะ่ะจากไม่มีเป็นมีแต่ทางธรรมอะ่ะจากมีเป็นไม่มีแล้วก็ไม่ได้เพียรเพื่อให้ได้ดีมีเป็นอะไร เทียนเพื่อให้รู้ละปล่อยวางจากสิ่งที่มีไปสู่สิ่งที่ไม่มีมันก็เข้าใจตรงนี้แล้วค่ะแต่การปฏิบัติมันก็ยังคาดคาดเคลื่อนเคล่อ น, นยังแบบกระโดไดไปคว้าอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยู่เอ้าก็พูดเองเมื่อกี้เนี่ยถ้าทางโลกต้องมีขึ้นไปมีให้มากขึ้นไปมีให้มากขึ้นไปของทางโลกก็ไม่ทิ้งเพระมาปฏิบททัติตามเจ้าอนิพานเพิ่มอีการนึงแต่ของที่มีอยู่แล้วก็ไม่ทิ้งแต่ว่ามาปฏิบัติทางโลกมาปฏิบัติทางธรรม ไอ้ทางโลกก็ไม่ทิ้งแล้วก็จะเอานิา่ผ่านเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดเองว่าอะไรนะทางโลกต้องมีให้มากินขึ้นไปพอถึงธรรมเนี่ยที่สุดแห่งธรรมคือคือถึงไปถึงซึ่งความไม่มีก็พูดเองคนระับถึงซึ่งความไม่มี